ถ้าเคยช่วยเหลือเจือจานคนและสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงเป็นประจำหากตรกระกรรมลำบากขึ้นมาจะมีคนอยากอุปถัมภ์ทันทีประแสะการเคยช่วยเหลือคนและสัตว์ไว้มากๆเป็นภาวะติดตัวที่จะทำให้ใครต่อใครรู้สึกเมตตาสงสารเมื่อ จ, จับพลัดจับลูกตกระกรรมลำบากขึ้นมาจะมีคนอยากช่วยส่งเสริมให้รอดพ้น จากสถานภาพย่ำแย่และดนใจให้ใครๆยื่นมือเข้ามารับผิดชอบภาระแทนทันทีไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติเอาแค่ชาติปัจจุบันก็เห็นผลได้แล้วถ้าไม่มีบุญติดตัวแหลงน้ำใจไม่เคยช่วยเหลือใครไว้ก่อนหรือกระทั่งเคยช่อชนเอารัดเอาเปรียบใครๆมามากบรรดาโทสะแล้วด่าทอได้ไม่ยัง้งอย่างนี้ต่อให้เสียแสงแกลงทาท่า น, นาสงสาร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 เห็นไปว่าคนทั้งโลกโง่กว่าตนหลงหลายตนแบบไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นแลวว่าทั้งโลกมีหน้าที่ต้องเอาอะไรอะไรมาให้ตนตนเองไม่ต้องให้อะไรใครเสร็จแล้วอาจพัฒนาขึ้นเป็นการเห็นว่าถ้าใครไม่ให้ก็ต้องทวงหรือพยายามหาทางหลอกล่อช่อฉนเอามาเป็นของตนให้ได้เรียกว่าเป็นโรคหลงบารมีเก่า ใครไม่มาสวามิภักดิ์เป็นต้องเห็นดีกันอะไรทำนองนั้นพอล่อลวงเขามากๆบาป ก, ก็พอกเพิ่มขึ้นทุกทีเป็นเงาตามตัวจนถึงวันหนึ่งถึงเสแสร้งแกล้งนาสงสารอย่างไรก็ไม่มีใครก็อยากช่วยอีกต่อไปตรงนั้นแหละจะน่าสงสารขนาดแท้เพราะวิบากร้ายจะเริ่มให้ผลดุดมีกองทัพมาปล้นแถมหันไปทางไหน ก็ไม่มีใครอยากยื่นมือมาให้จับอีกพระพุทธองค์ทรงสันเสริญผู้ที่มีความตั้งมั่นในทานหมายถึงการมีกระจายคิดให้ไปเรื่อยๆเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเป็นธรรมชาติแท้จริงที่ไม่ได้เกิดจากการฝืนใจหรือเล็งโลกหวังผลต่างๆนานาเมื่อรู้จักฝึกเป็นฝ่ายให้ได้ตลอดชีวิตนั่นแหละ